ภาษาวกอาทิพระโมกคลานะภาษาลิบุตรไปถามพระพุทธองค์ว่าป่าเนี่ยงามเพราะเหตุใดเพราะภิกษุเช่นใดพระเจ้าก็ตัดตอบว่าป่างามก็เพราะภิกษุที่ทำความเพียร น, นั่งกายตรงดำรงสติมัน่น แล้วเปลี่ยนเช่นนั้นเนี่ยก็พอจะกล่าวได้นะว่าเนี่ยคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่งามที่งดงามก็เพราะว่าทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมยจำนวนมากได้มาทำความเพียรกันตลอดทั้งคืน ความเพียรของพวกเรานะมันทำให้คืนนี้เป็นคืนที่งดงามแล้วก็ทำให้ป่านี้นะงามไปด้วยเช่นกันค่มคืนที่ผ่านมามีผู้ทำความเพียรตลอดทั้งคืนเนี่ยมากมายทีเดียวนะ โดยเฉพาะพระเนี่ยนะปีนี้ก็ทำความเพียรกันนะตลอดทั้งคืนกันนะมากหน้าหลายตาด้วยกันนะมากกว่าปีก่อนๆนะเช่นเดียวกับอา ญ, ญาตโยมแล้วก็แม่ชีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นานุมโมทนานะนะนะเชื่อว่า การทำความเพียนที่เรียกวันเนศชิก ค, คืออยู่ในเรยาบทนั่งก็ดียืนก็ดีหรือเดินนะแต่ว่าไม่นอนอย่เรียกง่ายๆว่านะทำความเพียนข้ามคืนเนี่ยสหรับหลายท่านเนี่ยนี่คงเป็นประสบการณ์แรกนะหลายท่านหลายคนอาจจะ ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่านะจะทาได้ตลอดทั้งคืนอาจจะทดลองทำว่าขอให้ได้ทำถึงเที่ยงคืนก็พอแล้วนะแต่พอถึงเที่ยงคืนแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อได้มาจนถึงขณะนี้นะซึ่งหลายท่านก็คงจะแปลกใจตัวเองว่าเออเราทำได้ด้วยหรือนะทได้อยู่แล้วนะถาว่านะ เรามีความตั้งใจมีความเพียรหากว่าไม่ท้อไม่ถอยตั้งแต่แรกก็สามารถจะทำได้ยิ่งมีหมมิทนะมาร่วมกันนั่งมาร่วมกันปฏิบัติหลายท่านก็อยู่ในอิริยาบถนั่งตลอดทั้งคืนนะการที่ พวกเราสามารถที่จะยืนระยะกันทั้งคืนได้นะไม่ว่าในอิเรียบทใดยกเว้นอิเรียบทนอนนะก็เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็มีความศรัทธานในหลวงพ่อคาเขียนอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีความเพียรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอามันมาใช้หรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ามีเหตุปัจจัยที่ดีนะเราก็สามารถจะดึงความเพียรออกมาใช้ซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในการทำสิ่งยากสิ่งที่ยากกว่านี้ได้นะในวันหน้าที่จริงการที่เราจะผ่านประสบการณ์ในวันนี้มาได้จนถึงขณะนี้ก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก เลยพ่อผู้ที่เป็นผู้ใหม่เวลานี้ที่จริงมันเป็นเวลาที่คนเขาหลับกันแต่ว่าเราก็พยายามตื่นขึ้นมาแต่ท้งไทยลเราพยายามตื่นพยายามปฏิบัติแต่ว่าตัวหลงเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆนะ พอปกติเนี่ยเวลานี่คือเวลาที่เราจะหลงกันคือหลับแบบไม่รู้เนะื้อรู้ตัวแต่ว่าพอเราตั้งใจที่จะตื่นเพื่อสร้างตัวรู้ขึ้นมาในตัวหลงเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะเพราะว่านี่คือเวลาของมันเวลาที่มันจะครองจีครองใจเรามันก็จะพยายามนะ เอาชนะจิตใจเราให้ได้พยายามที่จะล่อลอกพยายามที่จะสะกดใจของเราให้ง่วงให้ตัวหลงนิมมาในหลายรูปแบบนะอย่างคืนนี้ก็มาในรูปของความง่วงนะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะบางทีก็มาในรูปของความฟุ้งซ่าน บางทีก็มาในโลกของความขุนเคืองโกรธแค้นบางทีก็มาในรลกของความความโลภหรือตันหาเรียกว่าการมาฉันทะแต่ว่าที่มาเด่นนะก็คือไอ้ความง่วงนี่แหละตัวหลงนี่มันพลั่งพรูเข้ามากระแสะเชี่ยวกลากมากนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสยบ อยู่ในหน้าของมัให้ได้ก็คือหลับนะหลับไหลไร้สติในการที่เราพยายามตื่นทั้งคืนเนี่ยนะมันก็ต้องต้องเจอกับอ่าเรียกว่ากองทัพนะของตัวหลงก็ได้มันก็มาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า บางทีอาจจะมาทุกสิบนาทีหรืออาจจะมาแทบจะทุกนาทีก็ได้การที่มันพลั้งพลูขึ้นมาเนี่ยตัวหลงเนี่ยนะมันก็มีข้อดีนะสำหรับเราคือเราได้เรียนรู้นะว่าจะไม่ยอมแพ้มันได้อย่างไรเรียนรู้ที่จะรู้ทันมันได้อย่างไรมันมาก่อกวนมารังควานบ่อยๆเราก็ สามารถจะรู้ทางมันได้ง่ายขึ้นรู้ทันและรู้ทางเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่ช่วยทำให้ตัวหลงไม่อาจจะครองติดครองใจเราได้ทำให้สามารถที่จะรักษาตัวรู้นะให้ให้อยู่คู่จิตใจของเราที่ผ่านมาเนะ่พอความง่วงหรือตัวหลงเข้ามา เราก็พ่ายแพ้มันได้ง่ายเพราะว่าใจก็ยอมอยู่แล้วไม่คิดที่จะต่อสู้หรือขัดขืนนะแต่พอเราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะอยู่ข้ามคืนให้ได้ก็ไม่ยอมไอ้ความตั้งใจที่จ ะ, ะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของตัวหลงความง่วงเนี่ย มันก็ทำให้เราได้เห็นนะได้เห็นอุบายได้เห็นลักษณะอาการต่างๆของมันและทำให้มันเอาชนะจิตใจเราไม่ได้หรือเอาชนะได้ยากอาจจะง่วงหลับไปสักหน่อยอาจจะสะพองกบ้างถ้าพ่อก็ตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะมีเสียงบรรยายเสียงแสดงธรรมนะที่พอกระทบภูมิก็ ก็เทือนไปถึงใจทําไม่ตื่นนะตัวรู้กลับมานะตัวหลงก็เลือนหายไปแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่มเราก็ได้เห็นนะได้เห็นอาการได้เห็นอุบายนะของมันไอการเห็นเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวนะแต่ก่อนเราไม่เห็นนะั้นเราเข้าไปเป็นเลยนะ แต่พอเราพยายามที่จะตั้งหลักนะก็เห็นมันเพียงแค่เห็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยอยู่เนื้อให้ตัวหลงได้การเห็นนะถ้าเราเอามาใช้กับทุกขที่เกิดขึ้นรวมทั้ง นะความปวดความเมื่อยหรือทุกขเวทนามันก็ช่วยทำให้หลุดจากทุกได้นะหลวงพ่อมเขียนนะท่านเคยพูดประโยคหนึ่งนะอยู่บ่อยครั้งนะว่าในทุกนนะันมีความไม่ทุกอันนี้ท่านก็พูดบ่อยครั้งพอๆกับที่พูดว่า เปลี่ยนทุกขให้เป็นความไม่ทุกเนี่ยอันหลังนี่ได้พูดไปแล้วนะเมื่อวานว่าเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกนี่มันหมายความว่าอย่างไรเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกในทุก์มีความไม่ทุกนะอันนี้ความหมายก็คล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวนักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนก็คือว่า ทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันมันเกี่ยวเนื่องกันนะทุกข์นี่ก็เกี่ยวเนื่องความไม่ทุกข์นะเราสามารถเปลี่ยนทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันเหมือนกับที่เราสามารถที่จเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ส่วนคําพูดที่ว่าเนี่ยในทุกข์มีความไม่ทุกข์เนี่ยนะ มันแสดงว่าทุกข์กับความไม่ทุกข์ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่เกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันเลยอุปมาเหมือนกับมือดะอ่าอุปมาเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะหน้ามือกับหลังมือเนี่ยนะมันต้องอยู่ด้วยกันนะทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็อยู่ด้วยกันแต่ที่จริงมันมันมากกว่านั้นนะ หน้ามือกับหลังมือเนี่ยมันยังแยกกันออกนะว่าตรงนี้หน้ามือตรงนี้หลังมือแต่บางทีทักวความไม่ทุกนี่มันปนกันมันอยู่ด้วยกันในลักษณะทีะ่แนบแน่นไปกว่านั้นสิ่งที่ตรงข้ามกันเนี่ยบางทีมันอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ย ความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข่ยอยู่ในความไม่มีโรคและความตายอยู่ในชีวิตความตายกับชีวิตไม่ได้แยกกันเลยนะมันอยู่ด้วยกันเลยในขณะที่เรามีชีวิตก็ความตายก็เกิดขึ้นทุกขณะในขณะที่เรามีสุขภาพดีความเจ็บป่วยมันก็ซ้อนแรกอยู่ข้างใน ในขณะที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะมันก็มีความแก่อยู่ด้วยในชีวิตมีความตายในความหนุ่มสาวมีความแก่และในถนนในกันในทุกก็มีความไม่ทุกนะมันอยู่ได้กันถ้ามีอันหนึ่งก็ต้องมีอันหนึ่งนะตามคู่มาด้วยสิ่งตรงข้างกันนี่นะมันต้องอาศัยกันนะ ในที่หนึงว่าปจจิากาตัดว่าเนี่ยในเมื่อมีความมืดแสงสว่างจึงปรากฏเมื่อมีความไม่งามนะความงามจึงปรากฏนะตัวอย่างง่ายๆนะไฟฉายเนี่ยถ้าเราสองกลางวันเนี่ยไม่เห็นนะั่นนะไฟฉายไม่สว่างมันจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อมืดนะพอมันมืดไปไหนไฟฉายจะสว่างเลยนะมีความมืดนะความสว่างของไฟฉายจึงปรากฏ การเจอกันมีเงามึดได้ก็เพราะมีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีเงามึดนะทั้งที่มันตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันจะเรียกว่าอยู่ด้กันก็ได้หรือว่าเป็นปัจจัยกันให้ลองดูดีๆนะในทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์แต่จะเห็นได้ก็ต้องแต่จะเข้าใจได้ก็ต้องหมั่นเห็นนะ แตนะ่ถ้าเราเรามองทุกเราพิจารณาทุกเราเห็นทุกนะไอความไม่ทุกมันก็จะปรากฏให้เราเห็นด้วยเหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะ้มันจะเห็นรากเงาหรือสมุทยแห่งความทุกข์นั้นนะซึ่งสาไปถึงที่สุดก็คือความยึดติดถือมั่น ความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยทุกใจไม่ว่าจะเป็นโศกเศร้าโกรธโมโหรู้สึกผิดทับแค้นเนี่ยคตกกังวลลางเงาขง้ามาอือความยึดติดถือมั่นนะในตัวกูของกูเนี่ยอันนี้คือเหตุแห่งทุกข์พอเราเหตุแห่งทุกข์เราก็จะรู้ว่าเหตุแห่งความไม่ทุกข์คืออะไร ก็คือไม่ยึดติดถือมันถนตลอดพิจารณาหรือมองดูความทุกข์ดีๆนะมันก็จะเห็นหนทางสู่ความไม่ทุกข์หรือว่าประตูสู่ความไม่ทุกข์นะเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดเวลามีความเศร้าลองพิจารณาดูใช้สติดูนะมันก็จะเห็นว่า ประตูสู่ความไม่โกวยประตูสู่ความไม่ทุกข์ก็คือการปล่อยวางนะไม่ยึดมันถือมันเนี่ยมองทุกข์หรือรู้จักทุกข์มันก็เห็นนิโรธนะที่พระเจ้าเนี่ยเมื่อตัดสอนอริยสัจสี่เนี่ยทงสอนทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกตามมาด้วยสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรร แล้วก็องคสอนว่าให้รู้จักกําหนดรู้นะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ในอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ในที่ที่ใช้กับปริญญานะคําว่ากําหนดรู้บางคนก็ไปเข้าใจว่าหมายถึงเพลงนะจึงมันคือการรู้รู้ทั่วรู้รอบนะปริญญาแปลว่ารู้รอบรู้ลักษณะอาการของมันแล้วก็รู้ว่ามันมีสาเหตุจากอะไรเมื่อเห็นใจแห่งทุกนะ จใจเห็นความไม่ทุกข์มันก็เฉลยออกมาในตัวในทุกเนะี่ยมีความไม่ทุกข์นะมันเป็นของที่อยู่คู่กันเหมือนกับสวิตไฟนะสวิตไฟนี่สวิต ท, ที่ใช้เปิดให้แสงสว่างกับชีชวิตสวิต ท, ที่ทำให้มืดนะมันก็สวิตตัวเดียวกันถ้ากดไม่ดีมันก็มืดถ้ากดให้ดีมันก็สว่าง ลูกกุญแจนะมันก็สามารถจะเป็นสามารถจะใช้เปิดประตูก็ได้หรือปิดประตูขังเราก็ได้ลูเดียวกันนั่นแหละนะมันก็สามารถจะเป็นเหมือนคุกขังเราหรือว่าเปิดให้เราไปสู่อิสระก็ได้หรือจะเปลี่ยนให้ป็นง่ายกว่านะั้นเหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนเนี่ย ทุเรียนนี่หนามมันแหลมมือไปโดนก็เจ็บแต่ว่าข้างในทุเรียนนี่โอ้มันมีเนื้อที่หวานหอมในในนามในนาทุเรียนเนะี่ยมีของดีอยู่เช่นเดียวกันนะในทุกก็มีความไม่ทุกถ้าเราทิ้งทุเรียนไปนะเราก็ อดของดีแต่ถ้าเราจับทุเรียนไม่ดีนะมันก็เจ็บนะมันก็ตำมือเราต้องรู้จักชฉอนะฉ อ, ออกมาก็จะเห็นก็จะได้ของดีนะคือเนื้อทุเรียนที่หวานหอมนะอร่อยนั่นะทุกคเหมือนกันนั้นถ้าเราพิจารณาดูมันก็จะเห็น หนทางสู่ความไม่ทุกข์ซึ่งก็ต้องอาศัยการดูการเห็นการมองหลวงพ่อเขียดึงน้ำดึงเน้นย้ำเสมอนะเห็นอย่าก็ไปเป็นเห็นดูมองพิจารณาการเห็นที่มันทำให้เกิดปัญญานะ สัตว์เนี่ยนะอย่างที่วัดเนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่อาจารย์สุรินทร์ก็พูดถึงว่าเนี่ยผู้หลงเนี่ยมันมีลิงที่มันอารว่าก่อ ก, กวน ล, ลิงเนี่ยมันมันรู้ทางคนที่อยู่ในวัดนะมันรู้ว่าเราอาหารไปเก็บไว้ที่ไหนพราะอะไรเพราะมันเฝ้าดูเราลิงเนี่ย นิสัยมันนะไม่อยู่นิ่งนะแต่มันก็มีมันก็รู้จักนิ่งเหมือนกันนะเวลามันเฝ้าดูเรานี่มันจะนิ่งมากเลยมันจะแอบอยู่ในอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็เฝ้าดูเรามันนิ่งจนข้า่งเรามองไม่เห็นนะเพราะมันไม่ขยับเลยแล้วมันก็เห็นนะว่าเราเอาอาหารไปซ่อนที่ไหนเรามันเห็นพฤติกรรมของเรามันเห็นนิสัยของเรา มันรู้จักนิสัยของเราเพราะว่ามันเฝ้าดูอยู่นะมันจึงฉลาดแม้แต่เราจะวางกับดักนะมันก็ดูจกนกระทั่งมันรู้นะว่าไ อ, ไอตรงนี้นี่นะไปยุ่งไม่มากไม่ได้เดยมันเป็นกับดักการเฝ้าดูทำให้เกิดปัญญานะงั้นถ้าเราปัญญาเกิดขึ้นกับเราด้วยเหมือนกันนะถ้าเรานะ มันนะพิจารณานะดูทุก์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายหรือใจหรือว่ารวมทั้งอารมณ์ที่ทาให้เป็นทุกข์นะความโกรธนะความวิตกกังวลนะความเครียความเศร้าถ้าเราไม่ไปไปรวมหลันพันตุกับอารมณ์เหล่านั้นนะหรือว่าไปคล้อยตามมันนะ ถ้าเรามั่นสังเกตดูมันะมันก็จะเห็นและการเห็นนี่ก็ทำให้เราสามารถจะเป็นอิสระนะหรือไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้ได้ทีแรกก็เห็นด้วยสติก่อนนะก็ทำให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจางคลายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยามที่เราเผลอพอเราไม่เผลอพอเรารู้ตัวมันก็หายไปแต่ต่อไปก็เห็นด้วยปัญญานะเห็นว่า มันมีร่างเอามาใจความยึดมั่นถือมันนี้และความไม่รู้นะในความปรุงแต่งว่ามันมีตัวกูลแล้วไปยึดมันมันก็ทำให้ทุกข์ถ้าดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปดูหรือไปมองเห็นสีแสงอะไรไนั้นมันไม่จริงดูของจริงดีกว่า ดูของจริงคือดูกายกับใจดูอาการที่เกิดกับกายกับใจแล้วมันจะเห็นความจริงเห็นความจริงว่าอะไรคือไซแห่งทุกข์และอะไรคือไซแห่งความไม่ทุกข์นะเห็นความจริงว่าอ๋มันมีทั้งเนทั้งตัวก็มันมีแต่รูปกับนาม มันไม่มีตัวกูไม่มีเราเพ่อมองไม่เห็นเนี่ยนะมันก็เลยไปคิดว่ามีเรามีเราตลอดเวลาทำอะไรก็เราทำเราเดินเรานั่งเราโกรธเราเศร้าเราทุกข์นะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นมันเป็นอาการของกายกับใจนะไม่ใช่อาการของเราเป็นอาการของกาย เป็นอาการของใจนะไม่ใช่อาการของเราหรืออาการของกูเนี่ยนี่นก็เป็นความจริงที่เห็นได้นะถ้าเรามันดูมันมองอยู่เสมอเราก็จะพบว่าโอ้ในทุกนี่มันมันมีกุญแจนะสู่ความไม่ทุกอยู่เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยเราจะไม่หันหลังให้ทุกนะเราจะไม่กลัวทุก ทุกมาก็ดีเราจะดูมันเราจะศึกษามันนะบางทีไม่ใช่แค่ดูมันอย่างเดียวหรือว่าไม่หนีมาอย่างเดียวบางทีต้องเดินเข้าหามันด้วยอย่างที่ภาษาจริงเขาว่าเนี่ยอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้าเสือนะอยากจะได้ของดีก็ต้องยอมเสี่ยงนะอยากจะพ้นทุกข์อยากไปอิสรจากทุกข์มันก็ต้องเข้าหาทุกขนะ์เพื่อที่จะเรียนรู้นะจากทุกข์นะ นักปฏิบั t นี่หรือว่าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์นี้จะไม่กลัวทุกข์จะไม่หันหลังให้ทุกข์จะไม่หนีทุกข์นะแต่ว่าจะเผชิญนะด้วยการกําหนดรู้นะหรือว่าโดยการรู้มันให้ทั่วถึงเราจะรู้ทุกข์ได้ยังไงถ้าเราหนีทุกข์ถ้าเราเอาหัวซุกไว้ในดินไม่ยอมเผชิญหน้ากับทุกข์ เราจะรู้ทุกข์ได้กับพ่อเราเริ่มต้นจากการเห็นทุกข์ก่อนเห็นถึงรู้นะแล้วรู้ก็จะละได้ถ้าเราหนีทุกข์นะไม่กล้าไปเชิญทุกข์นี่แล้วเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงทางพ้นทุกข์ได้นี่ก็เวลามันเจอทุกข์ทีไรนะก็อย่าไปกลัวมัน เพียงแต่ต้องระวังอย่าเข้าไปเป็นนะทุกข์ก็มีไว้เห็นนะไม่ได้มีไว้เป็นนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ทุกข์มีไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นไอ้ที่มันย่ำแย่เพาเข้าไปเป็นนะแต่ถ้าเราตั้งหลักมาเห็นมันนะมาดูมันนะปัญญาก็เกิดและทุกข์ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้อันนี้ก็เป็นคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อนะที่ อยากใจพอได้พิจารณานะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพอ่อใกล้กล้กลกลเวลากับช่วงที่หลวงพ่อมรณาภาพนะประมาณตีห้าอาตมาเนี่พอทําวัดเสร็จในะวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยปรญยญายเสร็จนะลงไปข้างล่างเนะี่ยทำไมชีเมียวเฉือก็มารอบอกว่าหลวงพ่อไม่ดีแล้วนะอาการไม่ดีแล้ว ที่อาการไม่ดีเนี่ยหมายถึงสิบห้านาทีก่อนนั้นนั้นพรอแม่ชีมารอนานแล้วนะสิบกว่านะรอทั้งสิบนาทีาไปถึงปรากฏว่าหลวงพ่อก็สิ้นลมทะละประมาณตีห้าก็คือประมาณช่วงใกล้นี้แหละแต่ที่จริงหลวงพ่ออยู่กับเราเนะข้างหลังอตาตมานเนี่ยก็เป็นอาสนะของหลวงพ่อที่ท่านใช้ mm. ท่านใช้นั่งนะแล้วก็แสดงธรรม ให้กับพวกเรานะต่อเนื่องกันมาหลายปีทุกวันนี้ทางวัก็ยังรักษาอาสนะนั้นไว้เพื่อเตือนใจว่าที่จริงหลวงพ่อก็ยังอยู่กับเร า, นะาที่จากไปที่สลายไปก็เป็นแค่เรือนร่างนะเป็นแค่ธาตุสีดินน้ำหลมไฟหรือเรียกว่ารูปซึ่งเป็นของชั่วคราวแต่ความเป็นหลวงพ่อเนี่ย ก็ยังคงอยู่รวมทั้งคำสอนของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราระลึก ว, ว่าแม้หลวงพ่อท่านจะละสังขารไปแล้วนะแต่สังขารที่ละมันก็คืนสู่ดินน้ำไฟลมแต่สิ่งที่ยังยังอยู่นะแล้วควรสถิตไว้ในใจเราก็คือนะความเป็นคุณธรรมของท่าน รวมทั้งคาสอนของท่านด้วยโดยเพราะคาสอนที่กระตุ้นเตือนให้เรามันทาความเพียรนะไม่ใช่เพื่อท่านแต่เพื่อตัวเราเองและเพื่อประโยชน์แห่งธรรมก็บอกว่าปีหน้านะพวกเราจะได้มาทําความเพียรกันใหม่นะยี่สิบสองสิงหานะปีหกหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะทำและ ท, ที่จริงก็ควรจะทำความเพียรไปเรื่อยๆไปตลอดแต่ว่า นะถ้ามาคบปีแล้วก็มาทำเพื่อเป็นอาเจริบบูชานะถาวายท่านอย่างที่เราได้ทำนะในค่ำคืนที่ผ่านมานะก็ยุติเพลงเท่านี้กลับพาพร้อมกัน